แต่หลวระพุทธญาณได้นำเสนอเรื่องบารมีสืบต่อกันมาโดยลำดับก็มาจบลงที่ศีล บ, บารมีคือบารมีคือศีลแต่ว่าได้นำศึกษาค่อนข้างกระจายออกไปเป็นศีลระดับต่างๆเพื่อเป็นการเติมเติมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการของศีล แต่เมื่อเรามองศีลโดยสรุปก็จะเห็นว่ามันคือขึ้นจากปัญญาพิจารณาเห็นคุณของการรักษาศีลเห็นโทษของการละเมิดศีลพระบทปัญญาระดับศีลนั้นที่จริงแล้วเมื่อใครล่วงละเมิดเนี่ยมันเป็นการเบียดเบียนตนเองก่อนคนอื่นแล้วก็มากกว่าคนอื่น วันโดยเนื้อหาหลักท่านบอกว่าเบยียดเบยียนตนเองและเบยียดเบยียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนแต่ถ้าคนที่เขาใช้ปัญญาคิดพิจารณาเนี่ยก็ <c oughs> จะเห็นว่าเบยียดเบยียนตนตนเองมากกว่าเบยียดเบยียนคนอื่นยกตัวอย่างเช่นสี่ข้อที่หนึ่งคือคนเรากเกิดมาแล้วก็ต้องตายเป็นธรรมดาสมมุติว่าเราโกรธนายกต้องการจะฆ่านายก แต่ปัญญามันเกิดผุดขึ้นมาและตั้งคำถามแล้วหาคำตอบด้วยตัวเองว่าจะฆ่าใครต่อไปะจะฆ่ า, านายกอฆ่าก็ทําทไมเพอาะนายกอเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็แล้วแต่จะโจดเอานะครับเราตั้งปัญหาถามใหม่ว่าถ้าเราไม่ฆ่านายกอเนี่ยนายกอจะตายไหมก็ต่อ่าตายจะตายก่อนเราหรือตายหลังเรานั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วเราเองก็จะตายด้วย แต่ประเด็นที่นํามาเทียบเคียงเนี่ยก็คือว่าต้าเราฆ่านายกแล้วเนี่ยนายกรตายปั๊บเราเป็นฆาตกรปุ๊บทันทีทันใดเลยคือเป็นพร้อมกันทีนี้นายกนั้นเพราะถูกคนฆ่าตายครอบครัวเขาจะมีการพลาดพราดสูญเสียเหมือนกันแต่ว่าสังคมก็สงสารเขาเมตตาเพราะพอ่พอเขาถูกฆ่าตายสา ม, มีก็ถูกฆ่าตาย ยากิประกบ่าตายแต่เราต้องกลายเป็นฆาตกรพอเป็นฆาตกรตำรวจก็ต네้องจับดำเนินคดีแล้วก็ถูกศาลตัดสินลงโทษพัญญากลายเป็นพัญญาของราชพัญญาก็กลายเป็นพัญญาของฆาตกรลูกก็กลายเป็นลูกของฆาตกรพ่อแม่ก็กลายเป็นพ่อแม่ของราชฆาตกรพี่น้องก็เป eh ็นกลายเป็นพี่น้องของฆาตกร จากการทำชั่วกองเราคนเดียวดึงคนอื่นชั่วหมดเป็นลนักษณะชั่วถ่ายยาแต่ถามว่าในกอเป็นยังไงในก็ตายคนเดียวนะในก็ก็ตายคนเดียวแต่นั้นเดงลูกเมียเขาไม่ได้ตายลูกเมียเขาเป็นคนนหน้าสงสารสังคมสงสารอบกอุ้มคุ้งครองช่วยเหลือเกือ้อกูลกันเพราะว่าหัวหน้าครอบครัวถูกฆาตกรฆ่าตายใครสูญเสียมากกว่า ในโลกปัจจุบันเนี่ยครอบครัวผู้ฆ่าเนี่ยสูญเสียมากกว่าครอบครัวผู้ถูกฆ่าในโลกหน้าผู้ถูกฆ่าก็เป็นไปตามกรรมของเขาแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาไม่ทำบาปขนาดฆ่าคนตายเพราะการเกิดในกําเนิดต่างๆมันก็มีทุกน้อยลงแต่คนที่ฆ่าคนตายเนี่ยตายแล้วต้องตกหลงุไปชาติหน้าก็แย่กว่า แล้วก็มีบาปกรรมที่ต้องตามกันไปชดใช้ผ่านภพชาติต่างๆอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้เสร็จมาพอปัญญากเกิดขึ้นเนี่ยมันไปลดโทษสัที่อยากเะีค่าแล้วสมมติบางทีก็ฆ่าเพื่อแย่งทรัพย์มรดกแย่งสมบัติแย่งทรัพย์สินหรือปล้นฆ่าอะไรต่ออะไรเนี่ยคือตัวคนก็มีความคิดเนี่ยเขาไม่ทำหรอกเพราะมันได้ไม่คุ้มเสีย ได้สมมติเป็นเงินเป็นทองสมมติว่าได้เป็นล้านนะแต่ปัญหาว่าเงินล้านเนี่ยปิดประตูนรกไม่ได้เราจะต้องเป็นไปตามกรรมของเราแเล้วในที่สุดเงินนั้นมันก็หมดแต่กรรมมันยังไม่หมดเลยกรรมมันยกยอดไปให้เงินเนี่ยมันยกยอดตามเราไปไม่ได้แร้วแล้วก็กลายเป็นประจักพยานหลักฐานยืนยัน ว่าเงินนั้นได้มาในทางที่ไม่สุจริตตารวจก็สืบสวนสอบสวนเอาประกวดว่าไม่ใช่ฆ่าเขาอย่างเดียวปล้นฆ่าด้วยนะกลายเป็นโจรเข้าไปเลยเป็นโจรด้วยแล้วก็เป็นฆาตกรด้วยบาปกรรมที่เกิดขึ้นจากการลักบาปกรรมที่เกิดขึ้นจากการฆ่ามันเป็นบาปติบตัวเปิดพวกนี้เป็นทางแห่งอบายเพราะฉะันหลักการทําการของศีลก็คือการใช้ปัญญาคิด คิดโดยเหตุโดยผลแล้วก็หยุดตัวเองตรงนั้นให้ได้แต่ว่าการอยู่ภายในสังคมเนี่ยค่อนข้างมีปัญหานโดยเฉพาะยุคสมัยปัจจุบันหรือคนว่ากตินตัดสินปัญหานอะไรสั้นๆแคบๆใกล้ ๆ, ๆโดยไม่มองให้มันยาวๆหน่อยจนบางคนก็คิดตะเลเดิดไปจนถึงว่าไม่โกงไม่รวยถ้าจะรวยต้องโกง แล้วนายที่สุดก็โกงโกงก็อยู่ได้ไม่เท่าไหร่ลองดูข่าวคราวต่างๆพวกเศรษฐีที่เชิดหน้าอยู่บนรถเบนซ์ราคาแพงเป็นสิบๆล้านเนี่ยเวลานี้อยู่ที่ไหนนอนหลับเป็นสุขดีไหมไปไหนมาไหนนโปร่งเบาสบายดีไหมก็เรียกว่าหายากเนี่ยนั่นก็คือเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วก็สอนกันอยู่แต่ว่า เป็นเรื่องศีลเนี่ยมันมันปป้องกันทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงนะฮแต่ว่าถ้าเรามีขจัดความหลงได้มากเนี่ยศีลมันก็สมบูรณ์ได้เร็วเพราะการไปบัตรระดับศีลที่เข้าถึงความสมบูรณ์เนี่ยมันทําให้ธรรมะโลอื่นมันเกิดขึ้นแต่คนที่ศีลสมบูรณ์มันไม่ใช่ระดับสามัญชนนะต้องระดับพระอริยบุคลคลหรือพระโสดาบันขึ้นไป ตเราเจ็นว่าเป็นการเจริญเติบโตทุกสัดส่วนเพราะพระโสดาบันเนี่ยเวลาศีลท่านสมบูรณ์เนี่ยปัญญาท่านสมบูรณ์ด้วยคือทิฏฐิท่านสมบูรณ์แล้วกิเลสประเภทโมหะหยาบๆก็ไม่หยา บ, ยาบดอกที่จริงก็ค่อนข้างละเอียดนะครับมันก็ดับไปด้วยในขณะเดียวกันศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสของท่านมีความหนักแน่นมั่นคงเพิ่มขึ้นไปด้วย นี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะว่ากุศลแธรรมนั้นข้อสำคัญขอให้เกิดขึ้นสักข้อก่อนเอาก็ได้เกิดก่อนก็ได้แล้วกุศลแธรรมประเภทเดียวกั น, นจะเกิดขึ้นติดตามมาในขณะเดียวกันนะกุศลธรรมที่จงกันข้ามมาจะลดละจางคลายลงไปจิตใจเราก็จะมีความสุขความสงบประนีตมากยิ่งขึ้น แต่ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือศีนั้นมันทํำนั้นที่ขจัดได้ทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งโมหะเราดูตัวอย่างเนี่ยะดูตัวอย่างศีข้อแรกที่ว่าเมกี้เนี่ยคือการไม่ฆ่านั้นบางทีเราฆ่าเพราะโลภะบางทีฆ่าเพราะโทสะไม่แน่นะแต่ถ้าเรามองโดยภาพรวมทั่วโลกเนี่ยฆ่ากันด้วยโลภะกับโมหะมากกว่าด้วยโทสะ อย่างว่าเราเข้าป่ า, าลงทะเลล่าสัตว์เนี่ยจับสัตว์ตายเป็นล้านๆวันๆหนึ่งเนี่ยมันทำโดยความโลภ ก, กับความหลง ก, การรถถบทัพจับศึกในสงครามต่างๆต้องการชัยชนะจะทํำลายฝ่ายตรงกันข้ามโดยไม่เคยกลุดเครืองอะไรกันเลยต้องการเอาชนะแต่ข้าคนมาเยอะอันนี้ก็แสดงว่าฆ่าโดยโลภ ก, กับหลง ข้าโดยโกรธถ้านับตัวเลขแล้วจะมีน้อยนะดูแล้วคล้ายๆจะมากแต่จริงๆมันมีน้อยเพราะศีลนี่จึงมุ่งแก้กิเลสประเภทโลภะประเภทคว้าขามาหาซึ่งเป็นปนัญหาสังคมเนี่ยแม้เราดูในปัจจุบันจะถามว่าคนลักขโมยกันกับฆ่าฆ่ากันอะไรมากกว่าลักขโมยมากกว่านะลักขโมยกันหลายแบบเกิดขึ้นะทั้งคอร์รัปชันทั้งเรียกสินบน ตั้งหากําไรเนี่ยเกินควรในแตารงต่างมันลักมันเยอะเลยรูปแบบมันหลากหลายค่าก็คือค่าไปเลยฟ้อนแบบกรรมหลดเนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะเกิดจากโลภะการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินนั่นแน่นอนเป็นโลภะกับโมหะแล้วก็ล่วงละเมิดในทางคู่ครองทางประเวณี้ก็เป็นอาการของโลภะ เพียงแต่ว่าท่านเรียกราคาเพราะว่ามีความต้องการในทางเพศเท่านั้นเองแล้วก็พูดเท็ส่วนใหญ่มันก็โลภะนะเราเชื่อว่าการโฆษณาโกหกหลอกลวงปลอมแปลง ป, งปิ้นปล อ, อ, อดต่างๆว่าเกิดมาจากโลภะโลภอยากได้จนไม่คำนึงถึงความเหมาะความควรการยุให้รทําให้ร้อยยุให้เกิดความแตกแยกมันก็เป็นอาการของโลภ ส่วนมากนะอาจจะยุพระฤาษยาก็ได้อาจจะยุประโกรก็ได้แล้วก็ยืมดาวค่าคนก็ได้ก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของโลภแม้แต่พวกสายลับต่างๆสายลับสองหน้าซึ่งเกิดขึ้นเนี่ยที่จริงก็คือปวกส่อเสียดเป็นการสืบความจากข้างนี้ไปหาข้างโน้นใช้ความข้างโน้นไปให้ข้างนี้ก็เรียกศาสสายลับสองหน้ามันก็ทําด้วยความโลภ คนนี้จนถึงจุดหนึ่งในโมหะมันแรงนะมันทำลายทาลายได้แม้แต่ชาติบ้านเมืองเราลองสังเกตว่าบ้านเมืองเราที่กรุงแตกทั้งสองครั้งเนี่ยเกิดจากคนในเป็นพิษก่อนนะมันน่าน้อยใจที่สุดเลยก็ถ้าไปศึกษาประวัติศาสตร์ตอนนี้แล้วเนี่ยมันหดถูดแล้วก็ไม่มีสำนึกสำเนียมเป็นบทเรียนที่เป็นคลื่นกระทบฝังไป ทำได้ก็แค่สร้างอนุสาวรีย์ปีหนึ่งก็มีการวางพวงมาลากันครั้งหนึ่งเท่านั้นเองแต่ไม่ได้เอาบทเรียนเดตรงนั้นว่ากรุงแตกครั้งที่สองมันก็เกิดไสยศึกกรุงแตกครั้งที่หนึ่งมันก็ไม่ไส่ศึกคือคนของเราเนี่ยเป็นอุปสรรคจะเองขัดขวางกันจะเองเห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกของตัวทำผิวบาง ยิงปืนก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้คุณเธอท่านกรวดเสียงไปสูนอะไรไปไนเดี๋ยวก็โง่กันเป็นตับนั้นก็แสดงว่งโ ง, ง่เยอะแล้วโลภะเนี่ยทนุถนอมตัวเองเยอะเลยเพราะงใครไปขัดขวางพวกนี้มันจะเกิดโธสั์บ้านเมืองในปุ่นพี่ยุบยับมันก็กลายเป็นบทเรียนที่ควรสำนึกสำนึกเนี่ยเพราะเหล่านี้ที่จริงมันก็คือกระบวนการ ของธรรมะแต่ผมเป็นอกุศลด้านนั้นเองทีนี้ตรงนั้นได้กว่าคนเกิดมีศีลก็อยู่ในกฎเกณฑ์และเบีย่ยปินัยต่างๆใครมีภาระหน้าที่ก็รับผิดชอบในภาระหน้าที่ตรงนั้นก็ทําหน้าที่คนต้นไปก็เรียกว่าก็อยู่ในกฎเกณฑ์และเบียยปินัยนะซึ่งมันก็เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งเป็นธรรมะอย่างหนึ่งของคนซึ่งทํางานตรงนั้น บ้านเมืองก็คงจะไม่ถึงก็เสียหายแล้วก็ประจานตัวเองมาจนถึงปัจจุบันนะมันตราบาบนะตราบาบที่อยู่ภายในใจทุกคนแต่เมื่อเราต้องพลิกตราบาสตรงนี้ให้เป็นบทเรียนแล้วก็สำนึกสำเนีจอที่ปลุกเรากระตุ้นเตือนกันให้เกิดความคิดที่จะรักษาตัวเองแสาชาติบ้านเมืองให้รอด โดยไม่เป็นนอนบ่อนไส้เซเองหรือว่าเป็นการศึกต่อแผ่นดินเกิดเซเองลักษณะเหล่านี้ไม่ใช่มีเฉพาะเมืองไทยเราก็ส่วนใหญ่มันจะมีลักษณะอย่างนั้นนั่นก็คืออะไรก็คือว่าคนไม่มีศีลนะ่ะมันทำไปด้วยโลภโทสะโมหะส่วนมากมันเป็นโลภกับโมหะคือความหลงเนี่ยมันเพิ่มง่ายกับการยั่วยาก ถือเถ้าย่อยากแล้วมันจะง่ายแล้วก็นําไปใช้บวกก็ได้ใช้ลบก็ได้ในะเรื่องเหลานี้อย่าวันก่อนลูกศิษย์เขามีการที่วัดเขานะฮะมีฝังลูกนิมิแตแล้วก็ถามเขาว่าเขาทางานอยู่หลายวันนะคนเยอะก็ถามว่ามีเงินเขาได้เงินเท่าไหร่เขาเขาบอกแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะว่ามันน่าจะมากกว่านั้น แต่ว่าไม่ได้จัดมีการจหน่ายพระเครื่องไม่ได้ตั้งตู้รับบริจาคอะไรที่เป็นกิจลักษณะก็ทําแบบเรียบเรียบและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือไม่มีการขายอะไรเรียกว่าอะไรหลักประเด็สมมนาคุณบูชาอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่มีดังนั้นคนก็บ่นว่าวัดไม่มีอะไรขายซึ่งเป็นความคิดที่น่ากลัวนะคก็หมายความว่า วัดที่จะทำอะไรเนี่ยมันต้องมีกิจกรรมในเชิมที่เป็นธมาค้าขายแบบหมูไปไก่มาแล้วก็กลายเป็นการตาลาดกลายเป็นดรกยสเซียนกลายเป็นอะไรไม่รู้ศาสนามันก็เสื่อมหมดกันผลวัฒนศาสนาอย่างเงี้ยไม่รู้มีไว้ทำอะไรเหมือนกันเพราะศาสนานั้นจะต้องเป็นที่พึ่งของชาวบ้านคนที่เขาศรัทธาต้องการจะบริจาคช่วยเหลือสนับสนุนอะไรก็บริจาคไป แต่มันไม่ใช่วัดจะต้องลงทุนขายพอขายเข้ามาคนกลุ่มหนึ่งก็ด่าแต่พวกที่ด่าเนี่ยที่จริงเขาไม่เคยเข้าวัดนะฮะเกิด <_ d ata> สังเกตว่าคนที่ด่าที่โจมตีคนอื่นที่พูดถึงการควางเทศควางธรรมตัวเองก็ไม่เคยเข้าอ่ะจะหายากมากๆเลยเพราะจากการสังเกตที่ก็อยู่มานานเลยนะ ว่าคนประเภทที่เขาเข้าวัดเนี่ยเขาไม่ออกไปด่าข้างนอกอะ่ะ อ, อกไปด่าพระอยู่ข้างนอกเพราะเขาได้พูดได้เห็นด้วยตางเขาเองแต่คนที่ด่าในี่ยส่วนมากไม่เคยรู้หรอกก็ได้ฟังข่าวคราวอะไรสักอย่างเนี่ยหรือว่านี่เคยเจอด้วยตัวเองเยอะแล้วก็คนรู้จักกันเขาแม้แต่ข่าวลือเนี่ยเขาก็ด่าเราแล้ ว, ลวเจียดจดเมื่อกี้หนังสือด่าแล้ว แล้วก็งงเลยอ่านแล้วฟังไม่รู้เรื่องเลยมันเอามาจากไหนอันนี้พอไปไปเจอกันเขาบอกกล่าวเขาว่าไปเอามาจากไหนก็บอกว่ามีคนเขาว่าบอกว่ามือขนาดคุณเนาะไปเชื่อคนเขาว่าแล้วก็มาด่าพระซึ่งตัวเองรู้จักเนี่ยโทรศัพท์ถามไม่หน่อยก็ได้ด่าเขาไม่ว่าอะไรเราอยาจะด่าก็ด่า แต่ว่าปัญหาว่าข้อมูลเนี่ยมันถูกต้องห ร, รือเปล่านั่นคือแสดงให้เห็นว่ามันโลภะกับโทสะไม่ใย่กับโมหะในเขาอิงอาศัยกันแล้วถ้ายิ่งไม่ชอบคนนั้นดูอีกหน่อยเลยจะไปใหญ่เลยเนยมันกระตุ้นได้ทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งโมห ะ, ะเพราะฉะนั้นศีลทั้งหมดเนี่ยมุ่งเน้นไปที่โลภะกับโมหะเนี่ยเป็นหลัก แล้ปัญหาใหญ่ในภายในสังคมเราเย็นว่าปัญหาจากกรรมก็ดีปัญหาเศรษฐกิจก็ดีปัญหาการเมืองก็ดีมันก็สืบเนื่องมาจากโลภะแม้แต่ปัญหาความมั่นคงยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่ามันเกิดขึ้นมาจากโลภะโลภะกับโมหะประวัติศาสตร์ของเราที่ถูกรุกบุกรุกจากต่างชาติหรือแม้แต่มีปัญหายืดเยื้อกันมาจนถึงปัจจุบันสมัยอังกฤษฝรั่งเศสลาเมืองขึ้นเนี่ยเราลองสังเกตอะเป็นโลภะกับโมหะ แล้วนั้นก็ปิดศีลทีนี้กดแห่งกรรมตรงนี้ถ้าหากว่าเราไปมองดวงกรีฑาดูฝรั่งเศสไปเนะี่ยย่ำแย่เลยนะคือต้องเลี้ยงดูชนชาติอินโดจีนทั้งสามชาติเนี่ยไปอยู่ในที่นั้นแล้วรวมถึงพวกอเมริกาพวกอาณาจักรอะไรลนะ่ะพวกล่าเมืองขึ้นทั้งหลายเมื่อก่อนนะ่ะเวลานี้ต้องเลี้ยงประเทศที่ตัวเองไปล่าก็ามาเป็นเมืองขึ้นยุคนั้น กรากฎหมายบัญญัติเป็นราษดรของตัวเองเดี๋ยวในสุดก็ต้องรับผิดชอบเดี๋ยวนี้ฝรั่งเศสต้องสูญเสียเงินทองเลี้ยงพวกอินโดจีนนี่ตั้งเยอะแล้วก็อยู่ไม่ใช่ว่าแสนสองแสนนะถาม่ากี่ล้านนะนั่นก็คือเรื่องของผลกรรมแต่ว่าเราก็ไปเห็นอะไรที่วขาเอาไปจากอินโดจีนก็เยอะเกินมากันนะั่นนะนี่ก็คือสิ่งที่ จะท้อนได้เห็นว่าเรื่องของศีลจึงไม่ใช่เรื่องธรรมดาธรรมดาในส่วนปัจเจกิขบุคคลนั้นแน่นอนเป็นบารมีธรรมแต่ศีลนั้นเป็นสังคมนะเวลาการบัญญัติระดับควบคุมพฤติกรรมของบุคคลภายในสังคมไม่ให้กระทําที่เป็นพิษเป็นภัยต่อกันก็เป็นอาการปกติกายปกติวาจาในแง่ของบารมีเนี่ย ท่านก็สรุปไว้ว่าท่านจะบำเพ็ญสีรับคือท่านจงบำเพ็ญสีลับบารมีเถิดอันว่าจามารีรักษาขนหางที่ติดอยู่ในที่ใดก็ยอมตายอยู่ในที่นั้นไม่ยอมให้ขนหางเสียไปชั้นใดท่านจงบำเพ็ญศีรักษาศีทั้งสีให้บริบูรณ์แต่ว่าตรงนี้ท่านเน้นไปที่น้นเลยนะะเน้นไปที่ปาติโมกัสังวรสี เน้นไปที่ศีลซึ่งมันประณีตก็อย่างที่บอกไว้นะฮะว่าศีลก็นับข้อไปอย่างนั้นนะ่แต่เรากล่าวโดยสรุปแล้วมันก็อยู่ในสี่เรื่องใหญ่ๆ่นั้นเดนคือเรื่องแรกก็คือเรื่องบทบัญญัติของสิกขาบททั้งหลายลดหลังกันขึ้นไปนะฮะตามกลุ่มของบุทเรื่องที่สองก็คือการสัมผัสอารมณ์ พยายามควบคุมที่ใจเราจะใหเกิดความยินดียินไร้ายแล้วก็เพิ่มปริมาณกิเลสได้มากเกินไปเพราะความรู้สึกยินดียินไร้ายเนี่ยที่จริงเหมือนก็จุดไฟะนะฮะจุดไฟราคะกับไฟโทสะขึ้นมาแล้วพอได้เชื่อมก็ลามไปกันใหญ่ซึ่งอาจจะถึงกับลุกไหม้ขึ้นไปแล้วก็มีการบราดเจ็บรุนแรงได้ประการที่สามก็คือเรื่อง การแสวงหาการได้มาการถือครองการไปภคใช้สอยทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายจะทำยังไงอย่าให้มีปัญหาถ้ามีปัญหาก็ต้องรีบแก้ไขแล้วให้ดีก็คือพยายามป้องกันแต่ทีนี้สังคมเนี่ยมันมีตัวยั่วยวนอยู่เยอะจุดใหญ่สำคัญเนี่ย ก็เราลองสังเกตว่าเหมือนกับปลาเนี่ยถ้าแกอยู่ตามปกติธรรมดาแล้วก็จับแกทีละมากๆานี่ยากยากแต่ถ้าหากว่าเขามีวิธีการล่ออย่างก็ทําเป็นบันไดปลาหรือว่าโรยอาหารให้ปลาแล้วก็ไปทอดแถทอดอวนหรือไปดักเอาไว้แล้วก็ ใช้วนลากแล้วก็โรยเรียกปลามาในที่ใดที่นหนึ่งแล้วก็ลากก็เลยหรือว่าทอดแถวเลยอันนี้จัดใหญ่เลย mm. เห็นว่าเป็นอาการโลภลงสัตว์โลกเองก็เป็นอย่างนั้นนะแต่โลกเองก็เป็นอย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นทำอย่างไงจึงจะรักษาศีลถึงแม้จะไม่ประณีตขนาดนั้นนะนะแต่ระดับอาชีวะเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนความคิด ว่าถ้าอยากรวยก็ต้องโกงถ้าไม่โกงไม่มีโอกาสรวยเนี่ยปัญหาจะเยอะเลยเพราะเวลานี้ถ้าเราไปศึกษาดูให้ดีนะะแม้แต่ในวงการบางวงการซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะเลื่อนไหลไปตามกิกเลสมากเนยะแล้วเราต้องการถวายพระในปัจจนะุบันคือถวายแล้วบางทีเราดูก็ตกใจเ่นะ คือตัวเลขมันขึ้นไปผิดปกติตั้งแต่ยุคไเศรษฐกิจของสบู่มันขึ้นไปมากกว่าปกติในกรณีถวายส่วนตัวนะส่วนว่าถวายในกรณีที่มีงานมีการอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งอ น, นั้นมันเป็นการนอนุบำรุงพระศาสนาในงานบางอย่างนช่วยกันมากก็ดีแต่รจริงๆตัวนั้นเป็นเก็ เ, เรียกว่าเป็นบุญนิดๆที่เป็นทุ่มทรัพย์คือบุญเป็นทรัพย์จริงๆ แล้วก็ไม่ใช่ทําเพื่อใครนะเป็นสมบัติของศ า, าสนาเพราะฉะนั้นลักษณะของศีลจึงต่ออกมาในรูปอาชีพเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาแล้วกระทบกระเถือนเนี่ยปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องทั้งหลายเนยโดยเห็นว่าคนในสังคมมันก็มีคนยากจนกับคนอยากจนอยากจนก็อยากจนจริงนะฮะอยากจนนี่คือว่าแกไม่รู้จักรวยสักทีนนเนี่ย เรียกว่าคําว่ามีไม่พอกับพอไม่มีพวกยากจนเนี่ยคือมีไม่พออยู่พอกินจริงๆเลยแต่พวกหนึ่งเนี่ยมันอยากจนคือมีไม่พอมีเท่าไรแกก็ไม่พอแล้วพอถึงจุดหนึ่งมันก็ละเมิดศินจะได้ปัญหาเรื่องศีลจึงเป็นปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาสังคมเป็นปัญหาการเมืองเป็นปัญหาความมั่นคงเป็นปัญหาระดับโลกเลยถ้าหากว่ามีการละเมิดศีล ข่าวๆที่เราได้ยินได้ฟังตาสื่อสารต่างๆนั้นในกรณีที่เป็นพวกอากรรมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องการละเมิดศีลท่นั้นตอนศีลก็ไปเชื่อมโยงกันด้วยเรื่องอย่างกล่าวเนี่ยแม้จะไม่ใช่ศีลของชาวบ้านแต่ว่าเป็นกรอบการครองชีวิตของคนเนี่ยมันต้องมองหมดทั้งสี่จุดแล้วก็ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาสวดสอบไม่ให้ตกเป็นทาสของ อิเลตมากเกินไปต้องฟังทาไหนแต่ ร, ร่วมรัทิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไผ่บุ์ในธรรมจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี